ข้ากันตั้งใจสำนวงใจของตนให้ดีกิเลสบรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมีราคะเป็นยิ่มราคะมีอิทธิพลกลัวกิเลสอย่างอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรม ให้ไครใจเรื่องราคะนี่ให้มากทีเดียวอืราคะแปลว่าความกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีในกิเลสกรรมวัฏถทกรรมความกำหนัดยินดีนี่ เ, เป็นมูลเหุให้เกิดโทสะโมหะขึ้นมา เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมถึ่งสังวรเรื่องราคะตัญหาให้มากนี่ไม่ได้หมายความว่าเอาแต่นักบวชนะครือหัดก็เหมือนกันผู้ใดตกเป็นาธาตแห่งราคะราคะตัณหาอย่างแรงกระามันก็เป็นเหตุให้บุคคลผิดศีลผิดธรรมนอกศีล น, นอกธรรมออกไป สร้างบากสร้างคำใส่ตัวเองเหมือนอย่างมาเหสีของพระราชาพระองค์หนึ่งในอดีตการอยู่เมืองพราราณสีท่านแสดงไว้ในมงคลทิปณีไปเล่นชู่จากผัวท่านผัวถามแต่โกหกไม่ได้เล่น ไม่ได้ประพฤติผิดผีดผิดคองอย่างนั้นผัวถามยังไงก็ไม่ยอมรับในที่สุดก็สามานตนต่อหน้าผัวถ้าทันได้ประพฤตินอกใจผัวตอกใจภรรยาแล้วก็ตายไปขอให้เป็นเปรตขอให้เป็นเปรตแล้วก็ ขอให้มีสุนัขจิดตัวมายื้อแย่งกินสีกินเนื้อกินหนังขั้นเมื่อเวลาหญิงคนนั้นตายลงก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตจริงๆเกิดเป็นเปรตแล้ววันนี้ก็อยู่วิมานเนี่ยแต่ขั้นถึงเวลามาแล้วก็ต้องลงแขววิมานไปให้หมา ฉีกกินเนื้อกินหนังพวกนี้ตายไม่เป็นพอหมาฉีกกินเนื้อกินหนังหมดแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกเอาเข้าไปอยู่วิมานนั่นอีกพันถึงเวลานั่นแล้วกดลงไปให้หมามันกินอีกอยู่อย่างนั้นแหละอนันนพระราชาพระองค์นั่นแหละไปเที่ยวล่าเนื้อในป่า พัดจากบริวารไปเราไปเจอไอวิมานของเปรตนี่เข้าก็ได้ขึ้นไปดูเห็นนางเปรตนั้นลูกถวยลูกงามอยู่ก็ไม่รู้หรอกว่าเคยเป็นเมียตนมาแต่ก่อนก็เลยไปสมสู่อยู่กับนางเปรตนั่นหั่นถึงเวลาค่ำลง พระราชาทรงบันทมแล้วก็แกก็ลงมาข้างล่างมาให้หมากินเนื้อตัวเองเสร็จแล้วจึงค่อยขึ้นไปหมายความว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกอยังว่าตายไม่เป็นพวงนี่นมันใช้เวรพระราชาสงสัยหญิงคนนี้ทำไมอะ ข้ามลงมาแล้วทาไมถึงลงไปข้างล่างเป็นประจำเลยว่างั้นวันนี้ก็ตามลงไปดูไปดูจึงไปเห็นไอ้พวกสุนัขมันฉีกกินเนื้อกินหนังของเปรตตนนั่นอยู่มันนี้พระราชานี่ก็เอาดาบไปตัดคอหมาหมุนนั่นเขาขาดออกไปแล้วมันเกิดมาใไหม่อีก ฝ่ายนางเปรตนั้นจึงบอกว่าขอใหพระองค์ให้บ่วนเขะใส่สุนักนั้นเข้าแล้วมันจะหายไปเองพระราชาก็เลยบ้วนเขะออกใส่กสุนักนั้นสุนักสุนักนั้นจึงหายไปอนางเปรตนั้นจึงได อยู่เย็นเป็นถูกต่อไปนี่แหละโทษของราคะตัณหาถ้าเป็นบรรทชิตมันก็จะล่วงวิในเป็นอย่างนั้นมันทำให้เกิดความโมหมองขึ้นการปฏิบัติมันก็ไม่เป็นไปสหากว่าเราไม่ คำละตนให้หมดจุดตามโทษอันนั้นเสียแล้วอย่างนี้มันก็ปผุดผมจันไปไม่ไม่เป็นไปไม่ได้รับผลเท่าที่ควรเป็นครือหัสนี่ก็ยิ่งมีโทษร้ากาศยิ่งเป็นเหตุให้ฆ่ากันแย่งกันทรพัอืม ถ้ากันตายอยู่นนี้เรื่องโทษราคะตัณหานี่มีมากมายแล้วเกินในโลกอันนี้นะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจให้พิจารณาดูให้เห็นโทษของราคะตัณหาอันนี้ให้ ม, มากๆคือว่ามันเป็นธรรมชาติของมันมาตั้งแต่อดีตถนนหลังนู้นมันก็มีติดตามมาอยู่อย่างนี้แหละ เพราะมันไม่มีทำอันใดที่จะมากําจัดราคะตัณหานี่ได้นอกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยครับไม่มีออไม่มีคาถาอาคมมีอํานาจบาดใหญ่อะไรที่จะมากําจัดราคะตัณหาอันนี้ให้น้อยเบาบางให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้ ดังนั้นผู้ที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ฟังคำสอนของพระเจ้าพระองค์ทรงแสดงโทษของราคะโทสะโมหะนี่ว่าเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงผู้มีบุญวัฒนะมีปัญญาในฟังแล้วก็เห็นตามที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั้นบางท่านที่มีอินทร์บารมีแก่กล้า ท่านก็กำหนดละกิเลสเหล่านี้ให้ขาดจากสันดานไปในขณะนั่งฟังธรรมก็มีอยู่แต่ดูมันจะไม่มากพวกที่ฟังแล้วเห็นโทษของกิเลสสัญหานั้นแล้วไม่ได้บรรลุมรรคผลมีจำนวนมากมีแต่จำเอาข้อวัดปฏิบัตินั้นไปลงมือประพฤติปฏิบัติตาม กำลังความสามารถของตนของตนใครมีความสามารถแรงกล้ามากผู้นั้นก็มีกําลังบุญกุศลสติปัญญามากก็สามารถขจัดราคะธนหานั้นให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้โดยเร็วผู้ใดมีความสามารถน้อย ทำความเพียรไม่มากอย่างนี้เนี่ยมันก็การที่จะมาร า, ราคาตัญหาให้มันหมดไปโดยเร็วไว้ไม่ได้เพราะกำลังไม่พอผู้ใดรู้ว่ากำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาของตนยังอ่อนโยกพยายามเร่งบาเพ็ญสติสมาธิปัญญาเข้าไป ให้มันแก่กล้าเข้าไปโดยลำดับอันโดยเฉพาะการเพ่งนี่แหละสำคัญนะเป็นตะปะรรมเราเพ่งเข้าไปภายในบ่วๆเข้ามันเกิดแสงสว่างขึ้นการที่เรารวบรวมเอาสายตาเอาสัญญาอะไรมาไว้ภายในนี่หมดเลยไม่ส่งออกไปข้างนอก เราเพ่งไปมาอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเพราะว่าธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาไปใช้ทางภายนอกมากต่อมากเช่นว่าเราคิดถึงใครถึงคนถึงสัตว์ถึงสิ่งของอะไรอยู่ใกล้อยู่ไกลมันก็ยังคิดไปถึงเห็นได้ชัดเจนนี่นะธรรมชาติ ความจำความหมายอันนี้นะมันมีมากับชีวิตเนี้แต่ส่วนมากมันเอาไปใช้ภายนอกนู่น ม, มันไม่รวบรวมออกมาภายในมาเพ่งทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นภายในเพราะฉะนั้นมันจึงมองไม่เห็นกิเลสปาประธรรมจึงไม่ตื่นตัว ไม่กลัวต่อทุกข์ภัยในสงสารเพราะว่าอาวิชชาโมหะอครอบงำให้มองไม่เห็นบางพวกบางคนก็จะมองจนเกิดความเห็นิดเป็นชอบเกิว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีอย่างที่เคยว่ามาแล้วนั่นแะก็เพราะเหตุว่ามันไม่มีความเพียร พยายามเพ่งพีนิตยอยู่ภายในนี้จะส่งความคิดความจําความหมายอะไรออกไปข้างนอกนู่นไปผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสะพัดต่างๆนู่นได้อย่างนี้นใจมันเห็นแจ้งในเรื่องบาบุญคุณโทษได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าบาบุญคุณโทษไม่ใช่อยู่นอกนะไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจของคนเราในต่างหาก ใจใจนี่ถูกอภิชาโมหะครอบงำจึงได้มืดมนมองไม่เห็นบุญเน้นคุณไม่เห็นบาปเห็นคามองไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาเหมือนอย่างบุคคลเข้าไปสู่ที่มืดไม่มีแสงสว่างอางนี้นะมองอะไรก็ไม่เห็นก็อย่างนั้นแหละถ้าบุคคลได้มีไฟฉายอยู่ในมือมีตะเกียงโคมไฟอย่างนี้ เข้าไปสู่ในที่มืดแล้วก็แสงสว่างอันเกิดจากไฟฉายหรือโคมไฟในบางระบจัดความมืดในบริเวณนั้นออกไปสามารถมองเห็นวัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรในที่มืดอันใดโดยแจมแจ้ง อ, อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกระแสจิตของคนเราเนี่ยถ้ารวบรวมออกมาไว้ภายในมาเพ่ง อยู่ภายในนี่ไม่ท่อไม่ถอยเขา้ามันก็เกิดแสงสว่างขึ้นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดแสงสว่างขึ้นแล้วมันก็มองเห็นนามเห็นรูปมองเห็นบาปพหนบุญคุณโทษ ต, ต่างๆได้ชัดเจนเลยโดยไม่สงสัยอย่างที่เคยพูดให้ฟังนั่นแล้วว่า บาบุญคุณโทษต่างๆไม่ใช่มีรูปร่างอะไรเป็นนามธรรมาเป็นธรรมที่ไม่มีรูปร่างเป็นธรรมารมเกิดขึ้นกับจิตจิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แหละยเราก็จังว่าถ้าสังเกตดูความคิดความรู้ของตัวเองมันก็รู้ได้เช่นบางคราวมันคิดเห็นสมบัติผู้อื่นมากมาก ก็คิดอยากได้ขึ้นมาคิดอยากได้ขึ้นมาแล้วก็วางแผนอยากกลับไปลักไปลอบไปชอบไปโค้งเอาถ้าจิตในขณะใดคิดไปอย่างนี้ น, น, นั่นแหละจิตเป็นอกุศลคิดไปในทางอากุศลเดงยวก น, นบางขณะได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจต่างๆ ก็ทุนเฉียวขึ้นมาในใจถ้ารังรับไม่อยู่ก็แสดงออกทางกายทางวาจาก็กลายเป็นความโกรธไปนี่ก็เป็นอกุศลจิตแล้ว เ, เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้นะผู้ใดมีภาวนาทวนกระแสจิตเข้ามาสังเกตดูกิริยาจิตของตนเอง อยู่เสมอแนละ้วมันก็รู้ได้อือกิเลสคือความโกรธเนี่ยมันไม่ดีหนอมันทำตนเองให้เป็นทุกข์ทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์มันก็รู้ได้เลยวันนี้ตนเองก็ถูกกิเลสเผาเราร้อนเมื่อตนแสดงกิริยากายวิชาห ย, ยาบลนกระทบกระทั่งผู้อื่นผู้อื่นก็เดือดร้อนด้วยแต่เช่นนี้นะยมันก็เห็นมองเห็นด้วยปัญญาสิวันนี้นะ เออความโกรธนี่มันทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งตรงเอง็นตนเองและผู้อื่นอย่างนี้หนอเมื่อมันเห็นด้วยพญายนี้มันก็เบื่อห่ายความโกรธอันนั้นไม่ปรารถนาที่จะสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นในใจก็ต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอทุกเวลานาทีถ้าเมื่ออารมณ์ที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีมันกระทุกกระทั่งมามก็รู้ทันว่านี่ อันระวังตัวอยู่เสมอนะมันรู้แล้วว่าอารมณ์เช่นนั้นเรื่องเช่นนั้นมันไม่ดีอ่ะพอมันกระทบมานี่มันก็รีบกําหนดละทันทีเอ่ห้ามจิตทันทีเลยเมื่อจิตไม่ยึดไม่วันไว้ไปตามเรื่องที่น่าโกรธน่าเกลียดต่างๆอย่นั้นแล้วอารมณ์นั้นมันก็ดับไปเฉยๆี่มันไม่มีพิษมีสงอะไรเลยอ่า แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกับบุคคลผู้แสดงตนเป็นศัตรูนั้นเขาตกมือข้างเดียวก็ไม่ดังเมื่อเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบได้นี้เรื่องมันก็จบลงได้มันเป็นอย่างนั้นแต่คนโถนมากมันไม่ยอมที่เขาด่ามาเขาว่ามาก็ว่าตอบกันไป ไม่น้อยหน้าเลยไอ้คาว่าคดาด่าเหล่านี้ไม่มีใครเอาชนะใครได้หรอกเพราะว่าใครๆก็สรรหาเอาเรื่องที่ไม่ดีมาทิมแทงกันไอ้เรื่องอย่างนี้ฉลาดนักคนเรานะบัตทีว่าพูดกันเรื่องสินเรื่องธรรมนี่ไม่ฉลาดเลยนึกไม่เห็นฮ เรื่องด่าเรื่องทอเรื่องตำหนิติเตียนนี่โหไหลออกมาเหมือนน้ำออกบ่อคนเราเนี่มันจึงเด็ดตกข้างอยู่ในวัตฏสงสารอันนี้นี่จากสงสารอันนี้ไปไม่ได้เนี่ยการฟังนี่นะมันเป็นอย่างนี้ฟังเหตุฟังผลที่เพื่อนชี้แจงให้ฟัง อหวังว่าผู้ฟังนั้นก็คงจะพอมองเห็นได้นั่นเองคันเมื่อมันมองเห็นโทษของกิเลสอย่างที่ว่านี้แล้วก็มันก็เบื่อหน่ายเนี่ยคุณเรานะไม่ปรารถนาจะเลี่ยงกิเลสนี้ไว้แล้วเขาจะไม่ปรารถนาที่จะสร้างมันมากม่อีกที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามกระจัดมันออกไป เราทำไมพยายามสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาอีกเช่นนี้มันก็เป็นอันว่าขอ้อปฏิบัติอันนี้ก็เป็นการทําลายกิเลสให้บาวางไปเรื่อยๆไปเนี่ยจึงว่าความสาคัญมันก็อยู่ที่การฝึ ก, กจิตให้เข้มแข็งอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นต่อกุศลธรรมนี่นะเป็นหลักอืม ถ้ามาจิตตั้งมั่นตะกุศลทำเป็นหลักไว้ได้อย่างนี้แล้วอกิเลสอะไรความชั่วอันใดมันกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นไม่ยึดถือเอาไปแล้วมันก็ดับไปเองนะอารมณ์เหล่านั้นนะไม่จําเป็นต้องไปปราบมันบอกไปประหัรประหารมันประหารอะไรมันไม่มีรูปร่างอะไรนั่นไงมันเป็นแต่นามาทำเป็นสัญญาอารมณ์เฉยๆเนี่ย เพราะนั่นข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจิตเราไม่วอนไหวไยึดถือเอาแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง ม, มันไม่ใช่ว่าอยู่รีรับทรับซ้อนอะไรนักหนานะถ้านคืคนพิจารณาให้มันเห็นไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยที่เราจะรู้ไม่ได้รู้ได้อยู่แต่ว่าคนโสดมากมันปลอมวาด มันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งดูภายในนี่แหละมันบกพร่องตรงนี้นะให้เข้าใจเนี่ยเชื่อว่าท่านสอนในนั่งภาวนานะี่ยนั่งเพ่งอยู่เพ่งดูกายดูใจอยู่ภายในนี่ไม่ส่งใจออกไปข้างนอกนี่แหละการเพ่งเข้าไปนา น, า น, านใจมัน คลายอารมณ์ต่างๆออกไปมันสงบมันรวมลงแล้วมันรู้ว่านี้น่นนะมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่มันรู้ได้เลยเมื่อจิตยังไม่คลายอารมณ์ต่างๆออกไปเช่นนี้นี่มันจะไม่รู้อะไรนันนีมันรู้แต่เรื่องที่มันยึดถือเท่านั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นดัง น, นั้นนีท่านจึงสอนให้ทำจิตได้เป็นหนึ่งสะกกอนก่อนที่มันจะรู้แจ้งความจริงอะไร่ออะไรทั้งหมดนี้น่ะ ถ้าไม่ทาใจให้เป็นหนึ่งก่อแล้วรู้ไม่ได้อืรู้ธรรมของจริงก็รู้ไม่ได้เช่นรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเช่นนี้ก็รู้ไม่ได้ถ้าถ้าจิตไม่ผ่องใสก่อนดีนยังไงังนั้ น, น, นจึงว่ามันเป็นบทบาทอันสําคัญนะการทํา จิตให้เป็นสมาธิละนิวรณ์ห้าให้ได้นี่นะมันเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งความรู้จริงเห็นแจ้งเลยออืมันเป็นอย่างนั้นแต่สุดยางอื่นความดีอย่างอื่นเราก็ทํามาประกอบกันนั่นแหละแต่ความดีอย่างอื่นที่ทําลงนั้นอะ่ะมันไม่สามารถที่จะมาทําจิตให้สงบระงับลงได้ ถ้าเราไม่มานั่ง ส, สงบจิตเพ่งเข้าไปภายในจนว่าการเพ่งนั้นมันมีอำนาจสามารถสะกดจิตอันนั้นให้อยู่ได้ในเมื่อจิตหยุดคิดหยุดนึกหยุดสายไปสายมาลงแล้วมันก็สงบลงกิเลสอันใดที่มันแฝงอยู่ในจิตใจนั้นมันก็อยู่ไม่ได้ พอจิตสงบลงแล้วบันนี้มันก็ต่อต้านนะวันนี้นะไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเฉยๆมันต่อต้านเนะี่ยมันสดแสดงอาการทา่างๆนานากระทบกระทั่งมาทําให้จิตคิดตศวันไหวไปตามมันนี่ทีนี้ถ้าผู้ที่มีสมาธิจิตแจ่มแน่มีกําลังแก่กล้าแล้วก็ไม่วันไหวไปตามมัน มันจะยัวย่วยวนอย่างไรก็ตามข็กำหนดรู้เห็นอารมณ์ต่างๆเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นแกนเป็นสาลเป็นตัวเป็นตนเลยเห็นแต่มีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่นะั้นบรรดาอารมณ์ทั้งหลายคําว่าอารมณ์ในที่นี้หมายความว่าสิ่งที่จิต รู้สึกอยู่นั่นแหละเช่นรู้สึกว่านี่รูปนี่เสียงนี่กลิ่นนี่รสนี่เครื่องสัมผัสอย่างนี้นะเนี่ยจิตรู้อย่างเนี้แล้วจิตก็วิตกวิจารไปตามรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นท่านเรียกว่าอารมณ์นี่ถ้าหาว่าจิตสงบ มีธรรมของจริงเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตก็จะคำนึงถึงความทุกข์เป็นอารมณ์เออเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์หนอความแก่ก็เป็นทุกข์หนอความเจ็บป่วยไข้ก็เป็นทุกข์หนอความตายก็เป็นทุกข์หนอนี่มันปัญญามันเกิดขึ้นมามันพรฒนาไปเรื่องความทุกข์เหล่านี้นะ เ, ออเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์อย่างไรบ้างนี่ ก็เคยกระจายให้ฟังมาโฮแรงแล้วเพราะนั้นให้ประกันคิดกันพี่นาเองความแก่ความชราโมนี้มันเป็นทุกข์อย่างไรนี่เพ่งพี่ณาถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้อความเจ็บความป่วยไข้โมนีนม้นะมันมีอนุภาพอย่างไรบ้างทําให้จิตก่อนไหวทําให้สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายความเจ็บป่วยไข้นี่นะ นันมันเป็นยังไงมันจึงเป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญานล้วมันก็เบื่อหน่ายนะความทุกข์ทั้งหลายแะไรก็ไม่ใช่อื่นไกลก็ขันห้านี่แหละเป็นทุกข์ขันห้านี่แหละชำรุดทุดโทมที่เรียกว่าคนแก่ขันห้านี่แหละ ทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้เพราะโรคภัยเบียดเมียนบีบคั้นเอาขันห้านี่นะแตกดับไม่มีคนแตกไม่มีคนดับ ม, มีคนตายไม่มีเลยคนไม่มีอยู่ในขันห่านี่ขันห้าก็ไม่ได้มีอยู่ในคนเราเข่งให้ถึงความจริงอย่างว่านี่นะมันก็เห็นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงเนี่ย ไม่ใช่เป็นเรื่องเท้แต่เรื่องจริงแท้อ้าวมันจะมีคนมีสัตว์อยู่ที่ไหนคำว่าคนก็สมมุติเอาขันห้านี้ต่างห่างว่าเป็นคนแต่ยังว่าสมมติเหมือนอย่างเขาฉายหนังฉายภาพยนต์อย่างนั้นเนเอ้าสมมติว่าเขาฉายเรื่องราวอดีตเท่านั้นนางนี่เมืองนั้นเมืองนี่อะไรอย่างนี้นะ เขาก็สมมุติเอาคนปัจจุบันนี่แหละวันนี้เป็นแทนคนที่ตายมาแล้วพวกที่เล่นมหรสพคบกันต่างนี่มันตายมาแล้วแต่เรื่องราวของคน่นยังยก็เลยสมมุติเอาคนปัจจุบันนี้ขึ้นมาคนนี้เป็นท้าวคนนั้นเป็นนางคนนี้เป็นพระเอกอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไปแสดงหน้าจอภาพยนตร์ ให้คนได้ดูสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อจบแล้วก็คนธรรมดาธรรมดานั่นเองไม่ใช่เป็นเท่าเป็นนางอะไรเลยอย่างนี้แหละนี่เรื่องสมมุตินี่นะสมมุติธาตุสี่ขันห้าอันนี้มันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยอืมเป็นเหมือนเขาสมมุติกันเล่นหนังเล่นภาพยนตร์นั่นแหละเนาะ สมมุติธาตสี่ขันห้าว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเกิดมาแต่ละชาตินี่ก็มาสมมุติกันอย่างนี้แล้วก็มาเพลิดเพลิน ม, มามัวเมาบ้างทําดีบ้างทําชั่วบ้างเมื่อความตายมาถึงแล้วก็ปิดฉากลงทุกถึงทุกอย่างก็ไม่มีอะไรทั้งหมดเลยฮะนี่ไอท้ทีเรื่องเป็นมาหมู่นั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเฮ้ก็ผ่านไป เงินทองเข้าของอะไรตกสูญหายลงไปกไปป็ไปเป็นธาตุดินไปเป็นธาตุดินอยู่เท่านั้นเองไม่มีอะไรเนี้ยร่างกายของคนเรานี่ก็ตายแล้วก็เผาลงไปไอ้เผาไปเป็นเท่าเป็นฐานเท่านั้นก็ลงไปเป็นธาตุดินของเดิมนั่นแหละอืมกระดูกนั่นก็เป็นธาตุดินอยู่ของเดิมมันไม่เป็นอย่างอื่นไป ก็อย่างนี้แหละวิปัสนาพิจารณาอย่างนี้แยกแย ะ, ยะออกไปจนว่ามันเห็นชัดว่ามันมีสัตว์ไมยมีบุคคลอะไรต่ออะไรเลยเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้มันถึงคลายความกำหนัดยินดีออกได้นี่แต่ตอนต้นในปารกถึงราคะตัณหา แต่นั้นเหตุที่ราคะมันจะเบาบางลงได้ก็เ พ, เพราะอาศัยเจริญสมถะและวิปัสนาอย่างว่านี่นะ่ะให้เกิดขึ้นแล้วกระจายรูปนามขันหานี้ออกไปแล้วแยกแยะดูมองดูด้วยปัญญาตาใจมองดูให้ถี่ทั่วลงไปแล้วก็รลูฟังอนัตตาต้นเนี่ยเวทนาสัญญา สังฐานวิญญาณนา ง, นางอนัตตาไปหมดเลยบนี้นั่นเองมันเห็นด้วยอำนาจแห่งปัญญายานลงทายว่าไม่ใช่ของเราจริงจังไม่มีแก่นไม่มีสารอะไรเลยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็วางได้สิบะนี้ปล่อยได้วางได้ จิตใจก็เป็นอุเบกขาลงได้บ้านี่นะอุเบกขาในสัมโพชงนะอืมที่จะเป็นอุเบกขาในสัมโพชงได้ก็เป็นก็เจริญวิปัสนาไปสักก่อนอย่างว่านี่แนะหละหัดกงหัดวางจี่จะเป็นอุเบกขาลงไปให้เต็มที่แล้วจะนี่อุเบกขาอันนี้มันก็ไม่วนไหวต่อ ความเปลี่ยนแปลงของสังขารของชีวิตต่างๆอย่างนี้พอมันมองเห็นชัดตัวยานความรู้ยิ่งเห็นจริงนั่นแล้วมันถึงปล่อยวางจิตก็อยู่โดยเป็นอิสระแล้ววันนี้ไม่ไม่มีกิเลสมาลกควรให้ยินดี